พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสัสนสีสนคนานะคะดิฉันสัสนสีนาคพงเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาของเรานะคะนั่นคือวันวิสาขาบูชาวันที่ชาวพุทธควรอย่างยิ่งเลยที่จะมาระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาของเราคือพระอาจารตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์นั้น ประสูตรตรัสรู้และปรินิพานในวาระวิสาขาเดือนวิสาขะเดียวกันพระพัยบุ์อภิปุโนโ น, นะคะหรือว่าพระมหาภัยบุญอภิปุโ น, โนแห่งวัดป่า ด, ดอนหาโสโศดรนธานีซึ่งนําเอาสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้มาเปิดทําที่ถูกติดให้กับพวกเราได้เป็นประจำเนี่ยนะคะท่านก็จะนำเอาเรื่องราวของพระพุทธองค์ที่พวกเราควรทราบมาบอกในวันสําคัญเช่นนี้ อย่างไรก็ตามนะคะการจะมาบอกพระสูตรต่างๆท่านก็จะเชิญชวนพวกเราทุกคนให้เข้าสู่บรรยากาศของการฝึกสติคือปฏิบัติธรรมไปด้วยพร้อมๆกันเตรียมตัวได้เลยนะคะกำลังจะพาไปพบ ก, กับท่านแล้วกราบน้ำสการค่ะท่านคะเชิญพรในสัปดาห์นี้เรามาปฏิ บ, ตบัติบูชาพระพุทธเจ้ากันเนี่เป็นวันที่เราควรจะระลึกถึงพระองค์ในการตรสัสรู้การประสูติและการปฏิบัิผาน การปฏิบัติบูชานั้นเริ่มจากการที่เราตั้งสติขึ้นเอาไว้ให้เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราแต่ท่านผู้ฟังที่มีความเชี่ยวชาญเคยฝึกปฏิบัติมาบ้างเดี๋ยวก็ให้ตั้งสติไว้เลยส่วนผู้ฟังที่เพิ่งจะเริ่มมาในการฝึกปฏิบัตินั้นก็ขอให้เรามานึกถึงลมหายใจของเราตำแหน่งที่เราจะมานึกถึงลมหายใจของเรานั้นก็ใช้บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจบริเวณที่เราสามารถที่จะรับรู้ลมหายใจของเราได้นั่นคือบริเวณในโพรงจมูกนั่นเอง เราตั้งจริ ง, งเราไว้ที่นี่อาจจะมีความคิดนึกเรื่องราวใดๆบ้างเกิดขึ้นบ้างแต่ถ้าเป็นความคิดนึกในเรื่องราวในเรื่องที่เป็นกุศลอั น, นั้นก็สามารถมีได้นะมีพร้อมไปกขลุมหายใจด้วยก็ได้แล้วเรามาฟังพระสูตรเรื่องราวของการที่พระเจ้าอยู่ครองเรือนการออกบวชที่ได้เคยตรัสเต้าเอาไว้ได้เคยตรัสเล่าถึงเรื่องของการที่พระองค์ออกบวชนะไว้กับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง เรียดอ่อนอย่างที่สุดดังเราจะเล่าให้ฟังคือเขาขุดสะสามสะในวังแห่งบิดาของเราสะหนึ่งปลูกบัวเขียวสะหนึ่งปลูกบัวหลวงสะหนึ่งปลูกบัวขาวเพื่อประโยชน์แก่เรามิใช่ว่าจันเท่านั้นที่เราใช้มาแต่แม้แคว้นกาสีแม้ผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งและผ้าหม่ม ก็ล้วนมาแต่เมืองขาสีเขาคอยกั้นสเสวยตรจัติให้เราด้วยหวังว่าความหนาวความร้อนละอองหญ้าน้ำคา้างจะได้ถูกต้องเราทั้งกลางวันและกลางคืนมีประสาทสำหรับเราสามหลังหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนและหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนเราอยู่บนประาสาทสาหรับฤดูฝน ตลอดสี่เดือนฤดูฝนให้เขาบำรุงบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันปราศจากบุตรไม่ลงจากประสาทในวังแห่งบิดาของเราเขาให้ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อแก่ท่านและคนงานดา ด, ดื่นเช่นเดียวกับที่ที่อื่นขอให้ปลายข้าวเกรียนกับน้ำส้มแก่พวกท่านและคนใจ เมื่อเราเพียบพร้อมไปด้วยการได้ตามใจตัวถึงเพียงนี้มีการได้รับความประกอบประงมถึงเพียงนี้ความคิดก็ยังมังเกิดขึ้นแกเราว่าบุุคลที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้รันเห็นคนอื่นแก่ก็นึกอิดหนาระอาใจสีอิดเสียเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องแก่ ไม่ข้ามล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องแก่ไม่พ้นความแก่ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิหนาราอาใจสีอิสเอียนไม่เห็นคนอื่นแก่นั้นนั่นไม่เป็นการสมควรแก่เราเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความหนุ่มของเราได้หายไปหมดสิน้นบุคคลที่ไม่ได้ยินได้ฟัง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 ไม่เห็นคนอื่นเจ็บไข้นั้นไม่เป็นการสมควรกล่าวเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความไม่มีโรคของเราก็หายไปหมดสินน้นครั้เมื่อเรายัางเป็นเครือขัดประกอบการครองเรือนได้อิ่มเอิบพรียพร้อมด้วยการบุญทั้งหาให้เขาบ่มเรออยู่ด้วยรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยด้วยหูกลิ่นที่ดมด้ด้วยจ ม, มูก รสที่ลิ้มด้วยลิ้นโัวทพะที่สัมผัสได้ด้วยกายล้วนแต่เป็นสิ่งที่สัตว์อยากได้รักใกล้พอใจยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความกำนัดย้อมใจและนี่คือความเป็นอยู่ของโพธิสัตว์ตอนที่ก่อนการตรัสรู้ซึ่งเป็นผู้ที่อบอิ่มเพียบพร้อมมีความสุขทุกอย่างเช่นกันกลับมส ก, การ์ค่ะนันเองก็เคยไปที่ประเทศเนปาล ที่เมืองชื่อกบิลพัฒน์นะคะ hmm. เขาเชื่อกันว่าเป็นเป็นพระราชวังของพระพุทธเจ้าแต่มีคนบอกดิฉันว่าที่อินเดียก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าในฐานะที่เป็นชาวพุทธแล้วก็เคยศึกษาพุทธประวัติไปถึงผปุ๊บก็จะมีอ่าที่บอกว่าตรงนี้เป็นพระราชวังสามฤดูอะไรเงี้ยนะคะอ oh. ก็ทําให้เราจินตนาการตามว่าอ๋อพระพุทธเจ้า ก็เหมือนกับลักษณะของร่องรอยการขุดค้นทางประวัติศาสตร์ในบ้านเราค่ะจะมีการทําให้เราเห็นว่าตรงเนี้ยคล้ายๆเป็นซากของอาคารเก่าๆที่ได้รับการขุดแต่งเอาไว้อืดีพอสมควรทีเดียวในเรื่องของเมืองกบิลพัทที่คุณโยมติ๋วพูดเมื่อสักครู่ว่าจะมีอยู่สองเมืองถูกไหมตรงเนี้ยคือมีนักประวัติศาสตร์เขาตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้นะว่าตอนแรกเนี่ย เมืองที่อยู่ที่ยมติคือยมติไปนั่นแหละคือคือดั้ง <Okay. S 1> เดิมแท้อั น, อ, นอันแรกเริ่มเดิมทีทีนี้หลัง <Okay. S 1> จากที่หลานของพระเจ้าสุธโทธทนะองค์หนึ่ง <Okay. S 1> ที่ชื่อว่าพระเจ้าวิทุถนภะครอง <Okay. S 1> ความเป็นใหญ่ยิ่งเป็นราชาแห่งแคว้นโกศลแล้วยกทัพมาตีเมืองกระบิลพัทเนี่ยนะทำให้คนตายกันมากเลยเขาก็เลยย้ายเมืองหนีออกมาจากตําแหน่งเดิมไปอีก40่ยอดมาทางใตนะ้ก็เลยไปตกอยู่ในเขต ป, ประเทศอินเดียตรงนั้นเป็นเมืองกระบิลพัทใหม่ ก็มีข้อ ส, สนิทฐานกันอย่างนี้เท่านั้นค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะสําหรับคนที่มีเวลาแต่ทีน่นี้อ่าในประเด็นพระสูตรที่ท่านได้หยิบยกมาว่าก่อนที่จะออกบวชถูกไหมค ะ, ะใช่ใช่ใช่ได้รับการบํารุงบําเรอจนกระทั่งได้เห็นความจริงของชีวิตแล้วก็เบื่อนายเนี่ยดิฉันฟังดูก็น่าเบื่อมากันนะคะท่าน <laughs> ขอะทานโทษ น, นะคะคือ <laughs> เหมือนกับว่าอมันมากจังเลยเช่นเช่นเช่นตรงที่บอกว่า ให้อยู่ท่ามกลางที่ที่มันไม่มีผู้หญิงผู้ชายนะคะ อ, ะอะใช้คําว่าไม่มีบุรุษถูกไหมคะก็แปล ว, ว่าเต็มไปด้วยสตรีอย่างนี้เป็นต้นบางคนบอกว่าถ้ามีชีวิตอยู่กับผู้หญิงเยอะๆน่าจะดีก็ลองไปอยู่แบบอย่างนี้บ้างอาจจะได้พบแบบพระพุทธองค์ก็ได้น ะ, ะอืีอ่ยที่นั้นเนี่ยเาก็เล่าเ ป, เป็นเรื่องราวเป็นพุทธประวัติอย่างที่เราเคยได้ฟังได้อ่านกันมานั่นแหละ ว, ว่าอบิมเปรียบพร้อมจริงๆ แล้วก็การบำรุงบำเรอตรงนั้นก็เป็นของกษัตริย์นะเป็นระดับกษัตริย์เพรไะนั้นก็จะมีนางบำเรอที่เล่นดนตรีบ้างฟ้อนรำบ้างในลนักษณะนั้นไปแล้วก็แตาไม่เห็นความจริงเพราะว่านางพวกนี้เขาก็รักความสวยความงามนะเขาพยายามแต่งวงค์ทรงเครื่องอะไรให้ให้ดูดีแน่นอนแต่นี้นปรากฏว่าก็คงจะมีสมัยหนึ่งที่อ้าวพวกนี้เขาก็รักสวยรักงามในแต่เขาก็คงจะมาพูดกันมาโอ้เธอดูสิคนนั้นป่วย น, นมาไม่ได้แล้วก็แสดงท่าทางอิดนาระอารังเกียรต ในความป่วยของคนอื่นอย่างเงี้ยนะบริษัทตอนนั้นก็มาคิดว่าอ้าวก็ไอ้คนพูดอยู่ที่พูดอยู่เนี่ยก็คงจะต้องป่วยเหมือนกันสักวันหนึ่งอ้าวแล้วคุณทําไมมาอิจฉารังเกียจความป่วยความเจ็บไข้ตรงนั้นที่มันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับคุณได้นี่ใช่ไหมแล้วแล้วคุณไม่ทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะแก้ปัญหานี้มันไม่ถูกต้องนะนี่คือตรการความคิดที่ที่บริษัทเนี่ยใครๆเห็นอยู่กับตาความแก่ก็เหมือนกันความตายก็เหมือนกัน <Yeah. S 2> ในส่วนของความแก่ความตายเนี่ยดิฉันก็ต้องบอกว่าไอ้ตรงนั้นอาจจะมองไม่เห็นความเป็นโพธิสัตว์ mm. แต่พอมาถึงตรงความแก่ความตายดิฉันว่านี่แหละเป็นวิสัยของโพธิสัตว์ใช่คือเหมือนกับว่าอย่างเราเราเนี่ยก็เห็นนะคะโอ้ยเดี๋ยวแก่เดี๋ยวก็ตายเห็นบางครั้งยังทบทวนตัวเองนะว่าเรากลัวแก่กันนะเนี่ยกลัวเดือดร้อนแต่ก็ไม่เคยคิดจะออกบวทแบบพุทธองค์นะคะ <c oughs> คือไม่ได้เบื่อหน่ายขนาดนั้ น, นะคะ่ะเลยคิดว่าเอ๊ะนั่นคือวิสัยโพธิศาสตร์หรือเปล่าะครับการเอาบวชเนี่ยม า, มามาที่หลังในการเอาบวชมาทีหลังคือด้ว ย, วยนิสัยเนี่ยก็คือพยายามจะสแสวงหาทางออกของปัญหาสมมติมีคนเอายาในสักอย่างใหนึ่งมาเสนอนเอายานี่มันมันแก่มันตายไหมมันพังไหมถ้ามันแก่มันตายมันพังมันเปลี่ยนแปลงได้เอามาผสมกับสิ่งที่แก่ตายพังเปลี่ยนแปลงได้มันจะไปคงที่ถาวรได้ยังไงเอย่างนี้นะ นี่คือ ค, คือลอจิกธรรมดาที่เราเราจะคิดได้เลยนักก็พยายามค้นหาเอ้ยมันอะไรที่มันไม่แก่ไม่หักไม่ตายไม่พังในวังเนี่ยหาไม่เจอหาไม่เจอเพราะฉะนั้นมันก็มีอยู่ทางออกหนึ่งคือต้องหาข้างนอกเลยทีนี้ก็จึงมาสรุปที่ทางออกที่ว่างั้นต้องออกข้างนอกนะคือออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนตรงนั้นค่ะนะคะนี่ก็เป็นการตัดสินใจที่แน่แน่แนแดดเด็ดเเดี่ยวแหดิฉันเองขอประทานวทษนะคะดิฉันถามท่านพุทบุญหน่อยได้ไหมคะ เพราะว่าเท่าที่ดิฉันได้รู้จักท่านก็ได้ทราบว่าท่านเป็นคนที่ยังยังเป็นหนุ่มมีชีวิตชีวะในเรื่องของการทำงานนะคะการตัดสินใจที่จะบวชนับมาถึงวันนี้ต้องบอกว่านานแล้วขี่ปีแล้วะช่ไหมภาษานี้ก็จะเป็นภรษาที่ตืดตืตเก้าาภาษาภาษาที่เก้าเนี่ยชใช่อะไรที่เป็นที่ที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าตัดสินใจว่าบวชเลยดอ๋ออาจาจะไม่เหมือน โพธิสัตว์ตรงนี้นิดนึงนะคือตอนบวชตอนแรกเนี่ยไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานตอนที่บวชครั้งแรกน ะ, ค, ะคือคือ น, นี่ก็เป็นการบวชครั้งเดียวนั่นแหละแต่ตอนแรกที่ตัดใจเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานแต่อย่างโพิสัตว์เนี่ยคิดว่าจะต้องแก้ปัญหาให้ได้ก็เลยจึงต้องออกใช่ไหมแต่ตมาก็คิดว่าเออเราก็บวชเอาบุญอะไรต่างๆไปอย่างนั้นธรรมดาแต่พอมาบวชแล้วบวชแล้วก็แรกๆก็ศึกษาข้อมูลต่างๆก็มีความไวทับใจก็คงจะอยู่ไปได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ที่มาถึงความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าข้อที่1ด้วยความที่คําสอนและเราปฏิบัติแล้วเราได้ผลจริงๆ น, นในเรื่องของสมาธิ <c oughs> ความสุขที่เราเคยเจอมาแบบต่างๆความเป็นความสุขที่ได้จากการขายของได้ได้งานดีมีเงินเดือนใช้มีหน้ามีตาพวกนี้มันไม่เท่ากับความสุขที่เราได้จากในภายในอันนี้เห็นได้ชัดเจนทําให้เรามาตัดสินใจได้เลยว่าโอ้อันนี้มันดีกว่า มีมูลค่ามากกว่าหาสิ่งที่จะมาเปรียบเทียบไม่ได้ทำให้อยู่ได้นี่เป็นเรื่องหลักที่สําคัญแล้วอันที่สองก็คือตัวผู้นํำตัวผู้นําคือพระรูเจ้าเนี่ยมีความมีคุณสมบัติความเป็นผู้นําสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คําแนะนํำที่บอกว่าพระองค์เป็นธรรมราชาเป็นธรรมราชาจริงๆคือพระรูเจ้าเปรียบเทียบตัวพระองค์เป็นธรรมราชาธรรมราชาปกครองอะไรปกครองกษัตริย์อะไรคือกษัตริย์ในที่นี้นก็คือหมวดธรรมะต่างๆ นะม 8, รแโพชง7อิทิบาท4พุทธิปกครองพวกนี้โดยธรรมนะทำให้เราลูกต่างๆลูกศา์อะไรที่อยู่ในชนบทพวกนี้ได้รับการคุ้มครองนะตัวพระสงฆ์นะพระนะพระูชาเปรียบ เ, เทียบเหมือนกับบุตรของพระเจ้าจักรพรรดินะบุตรของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีบุตรตั้งพันนะเป็นบุตรที่มีความกล้ากล้ากล้าหาญเนี่ยก็จะรับการคุ้มครองโดยธรรมนะจากพระรูชาธรรมาก็เห็นข้อมูลตรงนี้ว่าอรรมานี่มันดีจริงๆนะนะตัวเอง ก็ใช้ตัวเองก็ได้ประโยชน์คนอื่นใช้ก็ได้ประโยชน์แบ่งกันก็ไม่เสียด้วยตัวเองแบ่งให้คนอื่นตัวเองก็ไม่เสียแต่จะเป็นสิ่งที่ดีก็เลยอยู่มาได้อันนี้เป็นสองข้อหลักๆใหญ่ๆที่นั้ก็ขออนุ ญ, ญาตที่จะถามท่านในจังหวะที่เหมาะสมเพราะจริงๆอยากจะถามมานานแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ได้พบสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วแล้วมีความรู้สึกว่าได้ผลจริงอย่างที่ท่านบอกว่าทําเถอะแล้วจะได้ผลอย่างนี้ใช่ใช่ นะคะก็เลยทําให้ประทับใจพวกเราเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าท่านไิบูรณ์ประทับใจอย่างไรฟังเฉยๆนี่ก็คงรู้แบบรู้จากเล่าใช่แต่ถ้าปฏิบัติจริงๆอาจจะรู้แบบที่ท่านรู้ก็ได้เออะ ค, ะควรจะต้องรู้ให้ได้แหะเกิดมาชาตินึงนี่ยสินะเอ่อเรื่องของพระพุทธองค์เนี่ยคะ่ะมีประเด็นอะไรที่คิดว่าท่านผู้ฟังควรจะทราบเพิ่มเติมอีกไหมคะ อ, อประเด็นหนึ่งก็คือว่าพอหลังจากที่คิดได้แล้วนะ คิดได้แล้วว่าเอ้ยความแก่ความเจ็บนะความตายเห็นอยู่ละทําไมมารังเกียจจตรงนี้นะเราควรจะต้องออกไปหานะก็เลยพยายามที่จะไปการตัดสินใจออกบวชตรงนั้นเนี่ยก็คือเอ่อเพื่อที่จะไปสแสวงหาตรงนี้นะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะเพิ่มเติมในในตรงนี้ก็คือว่าเรื่องของความสุขต่างกล่นะความสุขต่างๆหูจมูกลิ้นกายนะซึ่งความสุขที่มาจากสิ่งภายนอกตรงนี้เป็นของที่ ไม่ได้ตั้งอยู่ได้นานนะเป็นมีโทษอันตำสา ม, มากเห็นตรงนี้ได้ยังไงนะก็อย่างที่ว่าว่าเราพวกนางสนมอสวยงามก็จริงแล้วไม่เห็นตรงที่ตอนที่เขาไม่สวยงามนะเห็นตรงที่เขาแบบนอนละเกลละกะนะหน้าตาตื่นมาแบบคนตื่นยังไม่ได้แต่งหน้าอางี้นะมันก็จะดูได้ยากนิดนึง่งไปเห็นตรงนั้นทําให้เกิดความสลดขึ้นมาว่าโอ้ไอความสุขทางการมันไม่ดีตรงนี้นี่เองนะมันไม่ดีตรงนี้ ด้วยเหตุที่ว่า 1. ความแก่ความตายนะความเจ็บความแก่ความตายด้วย 2. อนายในกามนะในความรู้สึกทางกามที่มันมาเผาเคี้ยวกินอยู่เนี่ยแล้วตัวพระองค์เอง เ, องเนี่ยเห็นว่าตรงนี้เป็นโทษแล้วถ้าคนอื่นจะมาหยิบยื่นตรงนี้ให้เนี่ยก็รู้สึกไม่อยากจะไปยุ่งกับเขาไม่ทะเยอะทะยานอยากเสพกามตามสัตว์เหล่านั้นนะก็จึงเป็นที่มาว่าควรจอกหาเบื่อที่จะได้สมาธินะ เช่นเดียวกันพระทุกองเนี่ยอธมาด้วยเหมือนกันถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกนะม้กั่งมันจะใ จ, ใจิตใจมันจะว้าวุ่นมันจะต้องกลับไปหากามนะแต่เพราะมีสมาธิจึงอยู่ได้นะ น, นี้เรื่องสำคัญค่ะคือการปฏิบัติช่วยทำให้สามารถที่อยู่ในสมณะเพศซึ่งถือว่าดำเนินชีวิตแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ไดใ้ใช่อย่างนั้นแน่นอนแน่นอนค่ะก็ ที่จะกราบเรียนท่านก็คือก่อนหน้าจะมาบันทึกเทศเนะะี่ยค่ะที่ฉันก็เช็คพวกรายการโทรทัศน์ซึ่งเดี๋ yn ี้เขามีเปลี่ยนระบบใช่ไหมคะเป็นดิจิตอล uh huh. มันก็เลยทําให้ช่องเชื่อในเรียงใหม่เพราะเปิดไปเปิดมาเอ๊เห็นมีรายการธรรมะแปลกๆเยอะนะคะแล้วก็เป็นรายการที่ดําเนินรายการลักษณะของวัยรุ่นกลุ่มเป้าหมายในวัยรุ่นแน่นอน แล้วก็มีไปถามวัยรุ่นคน น, อน้องคนหนุ่มคนสาวคนนี้จะปฏิบัติธรรมกันทั้งนั้นอืมแต่ว่าลักษณะของการปฏิบัติเนี่ยจะแตกต่างกันไปซึ่งดูแล้วก็น่าชื่นใจที่ว่ายังไงก็ยังหันหน้ามาเลือกในทางที่จะเข้าหาการอบรมโดยพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ได้ไหมคะอืมเพราะว่าใช้ธรรมะของพระสารสดาร์ใช่เป็นคําสอนถูกต้องค่ะคนหนุ่มคนสาวถ้าหากว่าจะเข้าหาธรรมะเนี่ยอ จะมีวิธีการสอนที่แตกต่างไปจากคนทั่ ว, วไปไหมคะอืมคือจริงๆแล้วความที่อายุอย่างน้อยหรืออายุมากเนี่ยนะเออมันเกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะของเขาอาจจะเกี่ยวอยู่ทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยพระเจ้าวัดความเป็นแก่หรืออ่อนของคนเนี่ยอยู่ที่ว่าจิตใจของเขาเนี่ยพูดเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรมากนะอย่างสามเณรนคนอายุน้อยบางคนเนี่ย ยังไมย่ยังไม่ได้ถึงช่วงวัยรุ่นก็ตามหรืออยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยพุท่ิภาวะความคิดเขาสูงก็มีนะนเห็นโทษภายในกรมอยากจะปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เห็นได้เยอะแยะทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนเป็นยังไงแต่ถ้าคุณยมติวกำลังจะพูดถึงว่าคนที่ยังชุ่มอยู่ด้วยการมยังมองไม่เห็นว่าโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมมีอย่างไรยังหลงละเลงอยู่บ้างเนี้ยอันนี้ก็ต้องแนะนําเขาว่าให้งั้นให้คุณรักษาศีลให้ดนะีเอาเรื่องพื้นฐานให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยนะ คือที่ดิฉันกลับเรียนถามเนี่ยเข้าใจว่าคนที่ฟังรายการนี้อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่อะนะคะแล้วก็อาจจะมีความต้องการอนี่ยจะให้บุตรหลานของตัวเองเนี่ยได้มาปิ๊งทางนี้บ้างแทนที่จะไปสนุกสนานในทางที่พ่อแม่เป็นห่วงมีวิธีอย่างไรหรือว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีกับเยาวชนเหล่านั้นค่ะอันนี้เรื่องสําคัญเลยคือต้องให้เขามีเพื่อนดี ต้องให้เขามีเพื่อนดีเพื่อนอะไรที่จะแนะนํากันในทางดีเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยติดเพื่อนแน่นอนแล้วก็ถ้าเพื่อนไปชวนไปไม่ดีก็จะไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักดูเพื่อนเขาคนนี้คบได้คนนี้คบไม่ได้เราต้องเตือน น, นี่คือข้อที่1ข้อถัดมาตัวเองตัวพ่อตัวแม่เองก็ต้องทําตัวเป็นเพื่อนเขาด้วยเพราะเราเป็นคนที่สามารถชักชวนเขาไปในทางที่ดีได้โดยการเป็นเพื่อนเค้าให้รู้จักเขามีศรัทธาในพระเจ้าศรัทธานี้ตั้งมาไว้ก่อนเลย นะเราก็เพราะว่าไอการที่คุณจะปฏิบัติสมาธิได้มันก็ต้องมีสตานะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะเอาสองข้อ น, นี้เป็นพื้นฐานให้ได้นะมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปไปใช่ไหมค่ะคือเริ่มต้นก็ต้องช่วยดูแลในการที่ลูกคบเพื่อนใช่ในเรื่องพวกนี้นี่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้ไหมคะถูกต้องถูกต้องวิธีเลี้ยงลูกอะคะ่ะอ่าหมายถึงวิธีที่จะคือเรื่องของการมีมิตรดีเนี่ยสอนไม่ทุกตู้ระดับเลยน ะ, ะแล้วเรื่องของความที่ สอนบุตรหลานเนี่ยคือให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะห้ามเขาเสียจากบาปเพราะห้ามเขาเสียจากเพื่อนที่เป็นบาปอันนี้ก็อยู่ในหมวดนีนะ้ให้เขาคบเพื่อนดีก็อยู่ในหมวดที่เรียกว่าให้เขาตั้งอยู่ในความดีตรงนั้นนะคะแล้วก็อ่านชี้ชวนให้เขาได้ใกล้ชิดใช่มีมีศรัทธาพุทธเจ้ามีศรัทธาอ๋ออย่างเช่นสอนให้รู้จักไหว้พระนี่ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะอ่าถูกต้องเป็นพื้นฐานที่ดีเป็นพื้นฐานที่ดีดค่ะแล้วก็ สอนให้รู้จักสวดมนต์รู้จักหลักธรรมของพู้เช่าเจ้าเล็กๆน้อยๆจากเหตุการณ์แผ่นดินไห้ที่ผ่านมาเนี่ยระยะหลังการเป็นสื่อเองส่งต่อข้อมูลจะมีเยอะดตฉันยังไม่เปิดดูนะคะแค่เห็นหัวข้อไม่กล้าเปิดดูคือเขาบอกว่าพระเนนวิ่งหนีกันกระเจิงจากการที่เหตุการณ์แผ่นดินไหว <c oughs> <c oughs> คือเหมือนกับ ก็ไม่รู้ว่าภาพที่ปรากฏนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะบางทีเนี่ยก็ส่งภาพพระตกใจท่านเคยดูไหมคะที่พระกําลังนั่งสวดๆอยู่แล้วมีเสียงประทัดหรือเสียงอะไรอยู่ข้างนอกเนี่ยพระก็ตกใจบนธรรมะคนก็ส่งมาเป็นเรื่องตลกขบขันอนอันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะไม่ค่อยกล้าอืแต่เดี๋ยวนี้มันดูเหมือนกลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดๆไป ก็อันนี้ก็อาจจะต้องออย่างเรื่องขอ ง, งอ่าใช่เรื่องของการบอกสอนนะก็ต้องให้เขา<ะ> อ, อยู่ในเรื่องของศีลธรรมอนะยาเสพติด น, นี่ให้หลีกเลี่ยงเลยนะให้ฝึกให้เขามีความเป็นรู้จัก อ, อ่นน้อมถ่อมตนนะเป็นคนที่ไม่พูดโกหกแต่เป็นคนที่อนอบน้อมถ่อมตัวอันนี้จะทําให้เป็นคนบอกง่ายสอนง่ายนะต่อต่อไปเราจะแนะนําเขาได้ง่ายนะให้ปูพื้นฐานอย่างนี้ละ่คะค่ะนะคะ เดี๋ยวฉันเพิ่งอ่านหนังสือฝรั่งนะคะเป็นงานวิจัยเรื่องของการที่จะเปลี่ยนนิสัยคนเ้าก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สามส่วนคือส่วนของการที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมไปเปลี่ยนตรงพฤติกรรมแล้วก็ให้เห็นว่ารางวัลที่จะได้รับคืออะไรเป็นส่วนที่สามทีนี้ในส่วนของพฤติกรรมเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนเรื่องหลกัหลกๆแล้วมันจะส่งผลกระทบอย่างอื่น ดิฉันเมื่อคิดตามอย่างกับราการธรรมะของท่านเนี่ยนะคะที่สอนอยู่ทุกวันทุกวันถ้าฝึกสติเนี่ยจะส่งผลกระทบในทางที่ดีกับเรื่องอื่นๆทั่วๆไปหมดเลยนะคะใช่ใช่เนืเพราะทุกอย่างมันจะมารวมเข้าที่จิตแตถ้าจิตมีสติรักษาทุกอย่างดีไปหมดแน่นอนอันนี้แน่นอนนะคะงั้นก็ออบอกย้ําว่ารายการเนี้มีการสอนการฝึกสติแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ทราบว่าในห่วง วันนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาก็เป็นวันแห่งการทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะระลึกถึงพระคุณของพระศาสดาของเราในโอกาสวันสําคัญของพระพุทธองค์การบูชาใดก็ไม่ดีเท่าปฏิบัติบูชาใช่ท่านก็ เ, เลือกวิธีปฏิบัติที่ถนัดที่ท่านเพบุญได้สอนไว้ก็แล้วกันนะคะวันนี้กราบน้ำส ก, การขอบพระคุณท่านเพบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะเจ้าปานส่วนฝั่งที่เคารพค่ะแล้ววันนี้นะคะบ่ายสถึงสามทุ่มที่วัดปฐุมนาราม ครอบคัวข่าวก็ก็จะมีการไปก่อการบุญกันที่นั่นถ้าสะดวกไปก็ไปนะคะรายการของเราจะมี20คนที่ได้โทรติดต่อเข้ามาดังเบอร์โทรศัพท์ที่เคยแจ้งไปแล้วเนี่ยไปร่วมในกิจกรรมนั้นอย่างเป็นทางการกับอนุโมทนากับทุกท่านนะคะแล้วก็ในส่วนของรายการเรามีการฝึกสติกันเป็นประจําทุกวันล่ะคะ่ะขอให้ท่านตั้งหลักให้ดีแล้วก็มาฝึกกับเราและต่อจากนั้นท่านก็ฝึกต่อกันเองและมาพบกันใหม่ ในวันถัดๆไปอย่างเช่นวันพรุ่งนี้เป็นต้นนะคะวันนี้วันวิสาขบูชาสวัสดีและพุทธวสวสดีค่ะ